พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่าต้องสู้กับเวทนาดูในที่ส ง, งบ ได้ยินเสียงชัดเจนเลยเพราะนั้นขณะที่เราฟังเทศก็ดีเราคนนั่งสมาธิก็ดีถ้าหาว่ามีเสียงอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันคล้ายคลอใจของเราจะไปส่งไปอยู่จุดนั้นตลอดสิ่งที่แปลกปลอมถ้าเสียงธรรมชาติไม่เป็นไรนะอย่างเสียงนกเสียงอะไร มันเราห้ามมันไม่ได้เสียงจริงหรีดอย่างนี้คือเสียงแมลงมันร้องอนะแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจนะ๊กะอันนั้นนะเราก็ห้ามมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของ ม, มันอยู่ในเราอยู่ในป่าเราจะเป็นไล่เขานี้ทั้งหมดก็ไม่ได้ก็ร้องตามภาษีภาษามันอันนั้นเป็นธรรมชาติใจของเราก็ไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวไม่ได้เข้าไปให้ความสําคัญ ธรรมชาติของมันแต่ว่าสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมานะ่จะเป็นเสียงอะไรก็าตามนะอันนี้รู้สึกว่าใจของเราจะไปจดจ่อกับจิงนั้นนะดูแล้วมันเหมือนเขาไม่สงบเลยนะจิงเป็นเสียงคนนะเป็นเสียงคนอันนั้นแปลว่าเป็นอันตรายต่อสมาธิอย่างร้ายแรงทีเดียวเลยนะ พอเสียงคนขึ้นมาเราอยากจะฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรพนะระพุทธเจ้าในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึแย ก, กเอาไปอีกขนาดเสียงคนยังไม่พอนะท่านแยกเอาไปอีกว่าเสียงผู้หญิงเป็นอันตรายต่อสมาธิสมาธิผู้ชายเสียงผู้ชายเป็นอันตรายต่อสมาธิผู้หญิง ท่านยังแยกเอาไปอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เรื่องเสียงต้องระมัดระวงังไปในะสถานที่ใดเราต้องอย่าไปทำให้มีเสียงรบกวนคนอื่นเขาขณะที่ปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเราจะไปคุยให้เขาให้ํำคาญกับเขาอย่าไปคุยโทรศัพท์ ในการอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องอยู่ตัวเองอมีนจะคุยโทรศัพท์มันลาคาญคนอื่นเขาสิ่งมูนี่เหล่านี้เราต้องได้คิดทั้งหมดพอเราไปอยู่ด้วยกันมันลาคาญกันก็รู้อยู่แล้วว่าเขามาภาวนาเขามาอะไรมาวัด ต, ตัวเองมาคุยโทรศัพท์อย่างนั้นใช่ไหมทามาคุยโทรศัพท์ จะมาทำไมมาถึงวัดทำไมคุยอยู่ในบ้านก็ได้แล้วคูยอยู่ที่ไหนๆก็ได้มาจําเป็นจะต้องมาอยู่ในวัดอดนอนผ่อนอาหารอยู่ตามลำพังอย่างนี้เราไปอยู่อย่างนั้นก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ไม่จําเป็นจะมาอยู่ที่นี่ในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องปรับตนเข้ากับการสถานที่บุคคล สถานที่อย่างนี้สถานที่สงบสงัดอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเรามีความจําเป็นที่จะโทรศัพท์เราก็ออกไปห่างจากหมู่เพื่อนจากคู่คนอย่าค่อยพูดอย่ค่อยคุยอ น, นั้นแปลว่าให้ความเกรงใจให้ความเคารพต่อหมู่พวกเพื่อนให้เคารพต่อสถานที่ มันจึงจะถูกไม่ใช่ไปที่ไหนก็ขวางเขาอยู่ตอนั้นมีจตทิฏฐิมานะไปอยู่น่าสถานที่ใดขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางพักขวางพวกขวางครูบาอาจารย์เผลอๆยังขวางทั้งขนาดพูดผีปีศาจผุมมะลุขะเทวดาต่างหากพามันขวางมันขวางไปหมดใครเห็นมันก็ขวางหูขวางตา เพราั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราระมัดระวังการอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนให้รู้จักการสถานที่กาละเทศะบุคคลถ้าเรารู้จักกาลเทสะวางตัวให้ถูกแล้วเราไปอยู่นสถานที่ใดเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่เท่ ลูกทั้งหลายให้ความเคารพยำเกรงเคารพนับถือเป็นปู่ย่าตายายลูกหลานทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือจึงจะเป็นผู้เท่าผู้แก่เขาก็ให้ความเกรงอกเกรงใจให้ความเคารพนับถือเป็นหัวหน้าสำนักงานเป็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์เขาก็ให้ความเคารพนับถือเป็นลูกน้องบริวาร เจ้านายก็ให้ความเกรงใจให้ความไว้วางใจเพราะเขาเป็นคนดีมีมารยาทที่ดีถ้าหากว่าเราวางตัวถูกแล้วอยู่นจัตฐานที่ในอยู่ในชุมชนกลุ่มใดก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่ตายใจกับชุมชนสังคมกลุ่มนั้นๆ เราทําตัวไม่ถูกขวางนะขวางขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางครูบาอาจารย์ไปอยู่ณัดสถานที่ใดขวางพราะขวางเจร็แล้วเขหาวิธีกําจัดอะไรตวนีมันขวางเขานะแอบเขาหาวิธีกานแกล้งอะไรหาวิธีกําจัดเราอะไรตันีโดยมากถ้ากจัดไม่ออกนะเขาก็ต้องฟ้องสํานักงานฟ้องครูบาอาจารย์บอกให้ ครูบาอาจารย์ได้รับรู้รับทราบคนนั้นคนนี้เป็นอย่งางนู้นอย่างนี้นะต่นี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกกล่าวจะต้องเรียกมาพูดมาบอกสำรวมระวังนะอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะฟังหรือไม่ฟังแต่ยังตื้นลั่นดูไม่ฟังนั่นแหละเกิดเรื่องใหญ่เลย จะต้องไล่ออกจากวัดวาศาสนาไปแล้เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้จักการวางตัวเพราะนั้นกอให้พวกเราไปนสถานที่ใดอยู่กับสำนักงานใดอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดเราต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักเจ้ารู้จักนายรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักครูบาอาจารย์ไวยวุฒิคุนวุฒิปฏิบัติตนให้ถูกต้องกาลเทสา อัต ด, ดันยุตาให้รู้จักตนปริสันยุตาใหร้รู้จักประชุมชนปุคระประโปรปารันยุตาให้รู้จักบุคคลการันยุตาให้รู้จักการเวลาปริสันยุตาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดคนที่จะรู้จักอย่างนั้นจะ ต, ต้องเป็นผู้มีปัญญาใครเขาแบบเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ใช้มีความคิด ถ้าว่าคนโง่สัอย่างสื่อบื้อไปที่ไหนสื่อบื้อไม่รู้จักคิดไม่รู้จักอ่านเพื่อเอยังปสาส่ากินอีกต่างหาดไปที่ไหนขวางเขาหมดอเลยเพราะเราไปรู้จักการสถานที่กาละเทศะบุคคละสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่พูดในฟังทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือให้รู้จักการวางตัว การไปอยู่ในสถานที่ใดให้รู้จักการวางตัวถ้ารู้จั ก, กวางการวางตัวแล้ ว, ลวการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จทุร่ลงไปในในระดับหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักวางตัวแล้วมีแต่อริมีแต่ศัตรูมีแต่คนไม่พอใจกันแกล้งแล้วความประสบสําเร็จ จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท้งว่าเราไม่ทำตนไม่ดีอันนี้สรุปแล้วก็คือมันเป็นกฎระเบียบวินัยทั้งนั้นแหละอันนี้แหละคือวินยัยกฎหมาย evet. กฎหมายและกฎระเบียบเรื่องวิกิริยามรยารยาทคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันเข้ากันได้หมด เราเรียงลดับสรุปแล้วก็คือคิดดีทาดีพูดดีะถ้าคิดดีเป็นยังไงพูดดีเป็นยังไงทำดีเป็นยังไงที่แรกมันต้องคิดดีซะก่อนพอคิดดีคิดมีเหตุมีผลมองดูเหตุการณ์สถานที่ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อคิดดีแล้วก็พูดออกไปก็พูดดีเพราะพูดเข้ากับกาลเทศะ จากนั้นก็ทำอีกทำก็ทําดีไม่ทําให้คนอื่นตนเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเพราะตนทําดีนี่แหละขอให้กรุกลานพระเนนทุกองค์นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่พูดให้พวกเราเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เราอยู่ในสถานะไหนเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่เป็นกลางคนเป็นหัวหน้า เป็นปู่ย่าตายายเป็นใครๆให้รู้จักสถานะคือการวางตัวแล้วราบรื่นร่มเย็นเป็นถุก ด, ด้วยกันทั้งนั้นแหละนะแล้วก็พร้อมการวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดข้ามเดือนสิบเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่ง กล้กมือเช้าหลวงพ่อเองก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเรื่องเน้นเรื่องจิตภาวนานอกจากเรามีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจแล้วมันมอ ง, มองหาอย่างอื่นไม่มีนะถ้าเราคิดจะทำเป็นระลอะเลยแหละทำเพศเสกเสกแต่ว่าทำแล้วกระทวงผลอย่างเนี้ย เรามันจะเห็นผลงอกเงยได้อย่างไงเพราะเหตุไรเพราะเราทำไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ว่างงานชิ้นไหนละให้พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าปลูกยางอย่างนี้นก็ทำไม่กี่ต้นลาทาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้อะไายหญ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วจะเป็นต้นเป็นลาได้อย่างไร การทำนาก็เหมือนกันทำไร่ทำนาถ้าเราไม่ดูแลมีแต่หญ้าเต็มไปหมดแล้วจะได้เก็บเกี่ยวได้อย่างไรไม่ว่าแขนงไหนทำกราระัการงานเมืองก็เหมือนกันเรียนหนังสือก็ขี้เกียจเรียนพอเสร็จล้วก็ไปทำการทำงานกินแต่แรงหมูเวลาไปทำงานก็ไปสายสายเวลาเลิ ก, เลกก็เลิกก่อนเพื่อน แล้วตําหน้าที่ตําแหน่งจะได้ดีได้อย่างไรสรุปแล้วก็คือทําอะไรทําเลาะๆหแหละในเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วก็มาภาวนากับเหมือนกับริงร้องเพลงอย่างนั้นออเขาตีกองปุ่งปุ่งปั ง, ป ง, ป ง, ปงเอเอเช่นงกงก ง, กงาๆแต่จบให้ทําอีกก็ไม่ทํามันลักษณะอย่างนั้นการภาวนาของเรา ให้เป็นอย่างนั้นเหรอเหมือนลิงร้องเพลงอย่างนั้นเหรอลิงแสดงละครอย่างนั้นเราควรจะจริงจังกับตนเองเวลานั่งตรงพยายามนั่งให้นานต้องมีสัจจะข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิให้ได้สามชั่วโมงวันนี้ ก, ก็ะตั้งนาฬิกาหรือไม่ก่อนนั้นพยายามนั่งให้นานที่สุด ตมีนาฬิกาปลุกก็ตั้งนาฬิกาปลุกถ้าไม่ปลุก เ, เราจะไม่ลุกนี่แหละใหม่ๆต้องเอาอย่างนั้นบังคับซะก่อนต่อไปเราใช้เวลานานเข้า น, นั่นแหละเห็นผลเราก็จะพยายามนั่งได้นานพอนั่งได้นานรู้เห็นผลแล้วนั่นแหละเราจึงจะรู้ได้ว่าการจริงจังและจริงใจเนี่ยมันเกิดผลอย่างไร แตท่านรอๆหลายๆแล้วมันมีผลอย่างไรถ้าจริงจังและจริงใจแล้วจะได้ผลอย่างไรนั่นแหะผลนั่นแหะจะเป็นเครื่องบอกตอบรับสาหรับเราผู้จริงจังและจริงใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยทํามาก่อนพวกเราแล้วไม่เป็นไรถ้ามันหมดทนไม่ไหวจริงๆอย่าค่อยออก แต่เอามาันจนมันเหลือหายเจ็บหายปวดมันมันมีนะนั่งไปนั่งไปสู้กับเวทนามมันปวดน้องปวดด้วมันจะปวดถึงขงนะันมหนถึงมันตึงถึงตายเหรอมัไม่เห็นคนนั่งสมาธิตายหรอกมีแต่ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยตายนะ่ะนั่งสมาธิตายเอาสิข้าเห็นเคยข้าเคยได้ยินไหมข้าคนหนึ่งเระจะทดลองดูสิให้ข้าไปเจ้าตายในนั่งสมาทานั่งสมาธิดูสิะ ถ้าใครก็ตามนะถ้าใครตายในท่านั่งสมาธิหลวงพ่ออินจะโอ้โหจะประกาศแล้วประกาศอีกอถ้าว่าจะอยากจะได้อะไรจะได้หีบลงสวยงามขนาดไหนเหมือนกันแต <c oughs> ่แล้วก็เนี้แหละผลแห่งการภาวนาในช่วงนั้น อ, อย่างน้อยกูเสวรรค์ชั้นพรหมละ่ะไม่ใช่ธรรมดาละ่ะ ถ้าทำได้ถึงขนาดนั้นแตน่้นี่ีแม่มัมนพอมันออกเข้าจิงไม่จะหงายหลังผึ่งลงเส่หมอนนอนเกาะโดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นที่จะเอาซิสู้ดูซิทดลองดูซิอย่างวันนี้แหละวันพระเนี่ยข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธิตล อ, อดคืนดยซิ แต่เวลาเราไปนั่งเราก็ไปนั่งอยู่ในที่ปลอดภยัยเขานั่งอยู่ในกุฏิมีมุ้งลวดใช่ล้วกันปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องอะไรจากนั้นเราคนนั่งอยู่ใกล้กับหน้าต่างให้ลมพัดจักหน่อยเพื่อให้มันไม่ให้มันงก ง, ง่วงไม่ต้องหาอะไรเพียงนั่งภาวนาเนีนนนะ่นั่นแะมันจะมีอะไรเพราะ กุติของเราก็ใส่กงใส่กรเรียบร้อยหมดแล้วความปลอดภัยมีอยู่แล้วแล้ว ก, ก็ผ้าห่มปูให้หนาขึ้นมาสักน้อยจากน่้นกขึ้นไปนั่งคัดสมาธิปนมมือตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจให้มั่นคงข้าไปเจ้าจะนั่งตอนนั้นชั่วโมงวันนี้ ด้วยความจริงจังและจริงใจไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆนะข้าพเจ้าจะมาให้จิตใจส่งออกไปข้างนอกอีกต่างหากข้าพเจ้าไปะจะมาให้เผลออีกต่างหากจะบังคับให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นในขณะที่ข้าพเจ้านั่งจากนั้นก่อนนะปะนมมือขึ้นระเบ ว, วางอกไหว้ผู้ครูซะก่อนจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานสำทับกับตัวเองตั้งนั่งเลยจ้ะ่ โทรพดธโทรไม่ให้สงใจออกไปข้างนอกทดลองดูสิ ห, ห, ห, ห, หลวงพ่อว่าไม่เสียหายมีแต่กิตใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นถุกเออถ้าเราไม่จริงจังขนาดนี้เราก็คงไม่เห็นผลพวกเราจะสำนึกได้เลยโอ้ที่เราจริงจังอย่างนี้จึงจะเห็นผลได้ขนาดนี้เป็นที่พอใจในี่แหละ อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายจริงจังและจริงใจไม่ใช่นั่งสมาธิหลือสมาโงกงกง ก, งกนอนหลับไปเลยไม่ได้นะยตื่นขึ้นมาเอ๊ะกิตสงบแล้วเป็นยังไงมันหลับแล้วเป็นยังไงเหรอแสดงว่ามันแย่แล้วนะมันออกไปทางไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นเราต้องตั้งใจถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ง่วงอะไรเลถ้ามันปวดลองลองหน่อยสิมันปวดแข้งปวดขามันจะหลับได้เหรอ เผื่อๆมันจะเต็งเหงือแตกเงือไหลอีกต่างหากมันปวดมันเวทนามันขึ้นมาดูสิจ่ะนี่ดูความเจ็บปวดตอนนั้นล่ะอที่มันเจ็บมันปวดตอนนั้น่ะดูดูให้มันชัดเจนหมดในขณะที่มันเจ็บปวดะดูความเจ็บปวดของตนเองปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดที่ไหนดูอไม่ต้องกําหนดลมหายใจเข้าออก่ะดูที่มันปวด เวทนาสักตะเวทเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูเสียใจเวทนามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากร่างกายใช่ไหมใจเข้าไปรับรู้ใช่ไหมเงื้อใจดูใจใจไปแปไปแบกไปรับรู้ใช่ไหมมันจึงปวดถ้าหาวคนตายแ่ะเห็นไหมมันปวดไหมใจใจมันออกจากร่างแล้วใช่ไหมในช่วงนั้น เอาไฟเผ า, เาขวานสับมีดฟันอะไรมันก็ไม่ปวดทนอรค้อนทุบก็มไม่ปวดใจไหมใจเอเคยเห็นไหมโอาค้อนทุบล้วคนตายมันร้องโอกขึ้นมานะ่ะเคยมีไหมไม่มีเพราะเหตุอะไรใจออกจากร่างแนละ้วจะไม่ใจนี่แหละใจเอที่มันเจ็บปวดอันนี้เพราะใจไปรับรู้ใจไปรับทราบใจไปแบกมันใช่ไหมไปไปรับรู้เรื่องอยู่ในกายว่ากายของตนเองจะไม่ใจ ดูทีนี่เวลามันปวดเลยดูเลยทีนี่ดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ดูใจดูใจก็ดูกายดูกายแล้วก็ดูใจดูใจต่อไปดูเวทนาดูจิตนี่แหละดูเลยสิผลที่สุดนั้นนะมันแยกออกจากกายเลยทีนี่ใจของเราแยกออกจากกายเลยไม่ยึดมั่นถือมันในกายปล่อยวางกายเลยใจของเราก็สงบเลยทีนี่หายไปเลยกายทีนี่ไม่เก็บไม่ปวดเลย นี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการพิจารณาเวทนาเวทนาสักตะว่าเวทนาม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหล ะ, อะขอให้พวกเราดูการนั่งภาวนาอย่าไปนั่งเฉยๆอย่าไปนั่งจุกปุกเฉยๆเวลามันเกิดอะไรเกิดขึ้นก็เนนะี่ยดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกาย จากนั้นก็เวลาเดินจะกลมก็เหมือนกันข้าพเจ้าจะเดินอยู่กลมในวันนี้จะเดินเท่านั้นชั่วโมงเอาหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงวันนี้จะไม่ให้มันเผลอจะให้มันอยู่กับตัวเองตลอดขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโทมันเผลอไปดึงกลับขึ้นไม้มันเผลอดึงกลับขึนไม้อยู่กับพุทโทตลอดนี่แหละคือบังคับให้อยู่กับพุทโท แต่เมื่อเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมานั่งทามานั่งให้ดูลมหายใจเข้าออกหายให้เจ้าพุทธให้เจ้าออกโทบังคับให้สติบังคับให้จิตของเราอยู่กับพุทโทนี่แหละหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเอาจิงจังจริงๆจังๆอย่างนั้นแล้วพวกเราจะเห็นผลความสงบนเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง กายใจเป็นย <pulling ability, |ja|>, the ังไงใจกายเป็นยังไงความสงบเป็นยังไงในเมื่อเราได้รับความสงบเป็นพื้นฐานแล้วจะไหนจิตใจของเราสงบมีความสุขเป็นพื้นฐานแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจะไหอใจของเราดูล่ะเห็นกายพอเห็นกายอะไเห็นใจอะไรจะไหนมันสงบมันเห็นได้แล้วจะไหนพอมันสงบเข้าไปแล้วมันรู้ได้ลกายกับใจใจกับกายคนละอันกัน จากนั้นก็เอาใจกายน่ะมาพิเอาใจน่ะมาพิจารณากายเห็นดูกายด้วยซิกายน่ะมันเป็นของเราใช่ไหมใจอแต่งแต่หัวจดเท้าน่ะมันเป็นของเราใช่ไหมใจอถ้ามันเป็นของเรามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่เท่าไม่ชราอย่างนั้นใช่ไหมใจไม่ใช่เออถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมใจ นี่แหละคล้ายๆว่าเอาใจสอนใจใจให้รู้เท่าทันใจใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจใจไม่ให้ยึดมัน่นจากนั้นก็พิจารณาให้เป็นอสุภะบางร่างกายเนเป็นอย่างเกศาโลมานขาอย่างที่เราสาธยายเมื่อกี้จากนั้นก็พิจารณาเป็นธาตุสีอีกต่างหากธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุสีคืออะไร ธาตุจีก็คือสิ่งไหนที่เป็นของเหลวอย่างเลือด่เป็นธาตุน้ําธาตุลมกลมหายใจเข้าออกในธาตุลมธาตุดินก็คือพวกของแข็งกระดูกพวกผมนอันนี้เป็นประเภทธาตุดินธาตุไฟก็คือทำไฟให้อบอุ่นเนะผาอาหารให้ย่อยอันนี้คือธาตุไฟร่างกายของเรามีอยู่ธาตุสีดินน้ําลมไฟอยู่ใน ตัวนี้ใช่ไ้ยใจให้ใจรู้ใจให้ใจเห็นให้ใจเข้าใจในในตัวเองให้ให้ใจเข้าใจในกายในเมื่อเห็นกายทุกส่วนแล้ะีก็่ดูใจใจไปลุ่มหลงลุ่มหล ง, ล ง, ล ง, ลงทําไมใจใจไปกระเพื่อมทําไมใจดูใจพะสติปัญญาของเราเข้มแข็งลักษณะที่ว่าสติ มหาสติมหาปัญญาลักษณะอย่างนั้นเข้มแข็งดูสติของเราแข็งปัญญาแล้วก็เราเฉียบแหลมเห็นใจใจของเราเนี่ยเป็นอะไรมันเห็นความกระเพื่อมมันความนึกคิดมันคิดเรื่องอะไรไปคิดไปในทางดีมันพอใจคิดไปในทางที่มันไม่ดีสิ่งที่มากระทบที่มันไม่ดีมันเสียใจมันเสียความรู้สึก อใจของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่อยู่เป็นมาตรฐานเท่านี้าเราดูชัดๆเจนเจนเจนแล้วนะเอมันว่นไว้ไกวแกงอมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่งี้ยในจิตในใจจากนั้นก็ดูใจปล่อยวางเท่านี้มันของเผื่อดับนั้จะไปคือถือว่าเป็นของจีรังถาวรของสุขได้อย่างไงเท่านียปล่อยวางที่ใจนี่แหละ การปฏิบัติธรรมในพวกเราท่านทั้งหลายปล่อยวางที่ใจใจตัวนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกจะเป็นตัวตนได้อย่างไงมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราก็เป็นอนัตตาอยู่เหมือนกันไม่ยึดมั่นถือมั่นในในใจนี่แหละเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางที่ใจอใจก็หลุดพ้นจากอาสวะ ใจเป็นอิสระใจไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวยังไ ม, ไ, มไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องหน่วงเหนี่ยวใจไม่มีเครื่องหน่วงเหนี่ยวใจเป็นอิสระใจเป็นธรรมธาตุนะพระก่อยพวกเราทุกทุกท่านนะการภาวนาะการปฏิบัติไปแนวแถวตามนี้แหละให้พวกเราดูแต่สรุปแล้วเกิดเบื้องต้นก็นให้จริงจังและจริงใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเรื่อการนั่ง <Yeah. S 1> นั่งขอให้นั่ง ตัง้งใจแต่ที่ฐานถ้าจริงจังอย่าให้เผลอ้วยความจริงจังและจริงใจเวลาเดินก็นเดินอย่าให้เผลอจุูกับพุทธโธกับเท้าของเราแต่ก็ต้องทําให้นา น, นการทําให้นานนั่นัแนละคือเป็นผลเป็นผลสําหรับพวกเราจะได้ได้รับจะได้รับผลในการประพฤติปฏิบัติของตนเองเอาต่อไปเปิด MP3 ฟังนะนะเอานั่งสมาธิฟังแล้วเตินที่นี่นะเพราะว่าพวกเรามาเพื่อการศึกษามาฟังนะแล้วก็นั่งพุทโธพุทโธไปโดยการฟังเทศเราไม่จําเป็นจะต้องส่งไปการฟังเราให้ดูใจของตนเองดูพุทโธพุทโธเสียงสัมผัสเข้ามารู้รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ต้องฟังเพื่อจําฟังเพื่อรู้แล้วก็พอละนะเอานั่งสมาธินะเตินนะ